เพื่อพากันตั้งใจตั้งสติให้ดีอย่าให้ความง่วงเข้าครอบนำหน้าป่าเป็นอุปสรรคสำคัญมากความง่วงเหงาหานอนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนา เมื่อก่อนอื่นเราต้องกันกิเลสตัวนี้ไว้ให้ดีการตั้งสติให้เข้มแข็งไว้นั่นแหละมันถึงจะสกัดกัน้นความง่วงเหงาเหาวนอนได้ถ้าสติอ่อนแอแล้วมันครอบงำกายใจนี่ได้ทันทีเลยกิเลสตัวเนี้ย นั่นเราต้องละมัดระวังถ้าหากว่าหลับตานี่ยมันง่วงมากก็ น, นั่งสมาธิผมลืมตาไว้มองโนนมองนี่เข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็มันจะบ่งง่วงนะมันต้องมีอุบายคนไม่มีอุบายฝึกจนแล้ว มันไม่ไหวหรอกสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ต้องมีอุบายเพิกตน้นกิเลสอย่างนี้เราควรจะระงับมันด้วยวิธีใดนี่มันก็ต้องคิดต้องคำนึงเมื่อกิเลสอย่างใดอย่างหนึง่งมันเกิดขึ้นในใจ ถ้าหากว่าเราไม่หาอุบายวิธีระ ง, งับมันโดยถูกต้องแล้วกิเลสต่างๆมันก็ไม่สงบลงมันไม่สงบจริงๆเรื่องมันนะอย่างเช่นคนผู้รักสวยรักงามอย่างนี้นะถ้าหากว่าไป จเจริญเมตตาการุณาเข้าไปอย่างนี้มันก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งเกิดความรักความปราธนาขึ้นมากขึ้นไปเป็น่งนั้นพระศ า, าสดาจึงได้สอนให้จเจริญอสุภกรรมฐานเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันไปรัก ว่าสวยว่างามนั่นความจริงมันไม่สวยไม่งามถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วนั่นเนี่ยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีอุบายแยบคลายในใจมันรักรูปใดก็พยายามกำหนดเพ่งกระจายรูปอนั้นออกไปดู ไหนที่ว่ารูปนี่ว่าสวยว่างามลองสมมุติลองดูสิสมมุติว่าชาแหละออกไปนั่นเลยเหมือนอย่างเขาชำแหละหัวควายหมดนั้นนะหัวควายมันก็มีหนังห้มอยู่ยนั้นเลยวันนี้เมื่อลอกหนังออกไปแล้วมันก็ห เห็นเนื้อมันเห็นเอ็นเห็นกระดูกไปแล้วลอกเนื้อออกไปแล้วก็เห็นแต่โครงกระดูกไปงั้นสำแหละท้องออกไปก็เห็นไส้เห็นพุงเห็นตับเห็นปอดเห็นเลือดน้ำเลืองน้ำเลือดต่างๆไหลออกมามีแต่สิ่ง ไม่สวยไม่งามทั้งนั้นเลยถึงนั่นนะแต่ว่ามนุษย์เรานะ่ะมันหล่อเลี้ยงอัตรภาพร่างกายนี้ไว้ด้วยเลือดของสัตว์อื่นเนื้อสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นชั้แหละเนื้อต่างๆนั้นแม้ว่ามันจะสกกโพกอย่างไรมันก็ไม่เบื่อนาย บางรา ย, ยเอาไปทำชุบยำกินดิบๆนั่นก็มีเพราะนั่นเนี่ยมันใจมันชอบมาตั้งแต่นมจะนานหลายชาติหลายพบเพราะฉะนั้นมันถึงไม่รังเกียจอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย มนุษย์ต่อมนุษย์เหมือนกันนี่ก็เพราะมันเคยรักเคยชอบกันมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนั้นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบบางทีมันก็เคยได้เป็นคู่สร้างกันมาแต่ก่อนโน้นนั่นแหละพอเกิดมาชาตินี้พบกันเข้ามันจึงเกิดสนภะความพอใจ ความรักความใคร่ขึ้นมาก็มีเพราะได้ทำความดีร่วมกันมาแต่วันนี้ไอ้ความดีที่ทำร่วมกันมานั่นมันเป็นโลกียะธรรมไม่เป็นทางพ้นจากความเกิดความแกเ่เจ็บตายได้ผู้มีปัญญีสีคือปัญญา แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็จะไปมองเห็นว่ารูปนี้ไม่ควรยินดีพอใจแล้ววันนี้แต่ก่อนนั้นเราหลงยิงหลงรักหลงใคร่ริงมาวันนี้มองเห็นแล้วว่ารูปนี้ไม่สมควรที่จะไปรักไปใคร่ไปยินดีเพราะมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสาร ไม่มีอะไรสวยงามกลิ่นก็ไม่หอมหอนอหอมหวนอะไรเลยเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานไปก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วซากศพต่างๆหมด น, นนะ้วนะแม้ว่ายังมีจิตวิญญาณคลองอยู่รูปกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่ ชำระศาสางไม่ขัดไมู่ไม่รักษากันแล้วปล่อยไปตามยะถากรรมอย่างนี้มันก็จะส่งกลิ่นออกไปไม่ยิ่งย้อนกวัวคนที่ตายแล้วเหมือนกันเลยแต่สาเหตุที่มันไม่ส่งกลิ่นออกไปมากนั้นก็เพราะว่าชำระล้างกันขัดถูกันอยู่ทุกวันทุกวันรูปกายนี้มันก็จริงพอเข้าใกล้กันได้พอสังคมกันได้ นี่เราวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในโลกอันนี้นะเมื่อได้เพ่งดูความจริงของรูปต่างๆนั้นแล้วมันก็จะได้หายสงสัยหายสงสัยอะไรหายสงสัยว่าสวยงามหรือไม่สวยงาม มันก็ตัดสินลงได้เลยว่ารูปนี้ไม่สวยงามไม่น่ารักและก็ไม่น่าชังอีกด้วยเพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นของแตกของดับไม่ทราบจะชังมันไปทาไมก็มันเป็นของแตกของดับอยู่แล้วนี่ไม่ทราบว่าจะคิดทำลายมันไปทาไม ถึงไม่คิดทำลายได้มันก็แตกดับไปตามการเวลาของมันรูปใดๆก็ดีรูปที่มีจิตวิญญาณคลองก็ดีรูปที่ไม่มีจิตวิญญาณคลองก็ดีมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยอุปธรรมบรุงแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเองมัน ไม่ต้องไปทำอะไรมันมันก็ถึงเวลามันแล้วมันก็แตกทำลายลงเมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงคลายความชังลงไปได้คลายความรักออกไปได้แต่บุคคลผู้ที่มากไปด้วยความรักจริงๆแล้วมันไม่ปรารถนาที่จะพิจารณาซ้ำเลยนะถ้าพิจารณาแล้ว กลัวว่าความรักนั้นมันจะคลายออกไปจากดวงจิตเนี่ยจะไม่ได้ดื่มรสแห่งความรักนั่นเรียกว่าเป็นผู้มีอุปาทานท่านเรียกว่าสามมุปท า, านยึดมั่นถือมั่นในกามในกิเลสกามวัตถุกามก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ นั่นเนี่ยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าไปยึดมั่นอยู่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุให้ศึกษาลาเพศออกไปไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปแบกภาระอันหนักเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรต่ออะไรอยู่นั่นเนี่ยนี่ในความเป็นผู้ รู้อำนาจแก่ความรักความใคร่มันก็เป็นแค่นั้นแหละถ้าเป็นคฤหัส์ไม่ใช่นักบวชอา้าวเป็นหนุม่มเป็นสาวมาก็เกิดความรักใคร่พอใจซึ่งกันและกันไม่สามารถจะถอดถอนออกได้จำเป็นก็แต่งงานกันไป พอแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องไปแบกภาระหนักธารพัดในการครองเลือนนะทุกคนก็ยอมรู้ดีผู้ครองเลือนทั้งหลายเนะี mm ่ย hmm. นี่แหละความรักความใคร่อันประกอบไปด้วยราคะตัณหานี่มันให้โทษมากมายผู้ดใดละรู้อำนาจแก่มันนะ <c oughs> ไอ้ที่รุนแรงไปกั่วนั่นก็คือมันบันดาลให้ไปทำบาปนี่แหละนี่ร้ายกาดมากอันนี้นะถ้าหากว่ารักใครกันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนี่ก็ยังชั่วหน่อยอันนี้นะก็ไม่ไม่ได้รับทุกข์รับโทษเกินประมาณ ไอทางเป็นทุกข์นั้นเป็นอยู่หรอกทุกข์อยู่ในชาตินี้ก็ทุกข์แต่เมื่อผู้ที่ทำมาหาเรื่องชีพหรือเป็นอยู่ด้วยศิลด้วยธรรมอยู่ในกรอบหแห่งศิลแห่งธรรมแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีไปในตัวแม้จะได้รับความทุกข์ เพราะหน้าที่การงาน ต, งต่างๆเป็นทุกข์เพราะการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็จริงอยู่หรอกแต่คันผู้ที่รักษาศีลผู้ที่ทำบุญสุนทานอยู่ผู้ที่มีเมตต า, าเพื่อแผ่เอื้อเฟื่อเกอื้อกูลแก่ผู้อื่นที่ควรเอื้อเฟื่อเกอื้อกูล เช่นี้นี่มันก็เป็นบุญบารมีของผู้นั่นโยเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าสำหรับผู้ที่บุญบารมียังไม่แก่กล้านี่มันก็ต้องตกเป็นธาตุแห่งความรักความชังนี่แหละไปก่อนแต่ถ้าว่าถ้าผู้ใดรักหรือชังอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม อย่างนี้นี่มันก็ยังชั่วน้อยอแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่ามันเลยสินเลยทำไปอความรักความชังอันนี้นะมันประพฤติร่วงสินร่วงทำไปเพราะฉะนั้นมันจึงได้รับผลเป็นทุกข์นั่นแหละทั้งในปัจจุบันและเมืองหน้า ธรรมะที่สำหรับผู้คลองเรือนพระศาสดาก็ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วแต่คนส่วนมากมันทำไม่เอาใจใส่ไม่ปฏิบัติตามบางทีพระก็ไม่ค่อยนำมาเทศให้คนฟังก็มักจะแสดงไปแต่ธรรมะสูงสูงไปนู่น ผู้ที่มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรับไปปฏิบัติตามได้จะเลยท้อใจไม่อยากจะฟังธรรมซ้ำคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนนะั่นแหละถ้าได้ฟังธรรมะพอเหมาะพอดีกับภูมิของตนอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีใจดูดเดิมเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นหละคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงมีหลายขั้นตอนนั่นเ อ, องเพราะพระองค์แสดงธรรมให้เหมาะสมกับปาตตนาบา ร, รมีของบุคคลดังนั้นผู้ใดนับถือพุทธศาสนานีนะ่ควรพากันทบทวนดูชีวิตของตัวเองว่า ตนเองนั่นพอที่จะกำหนดได้ไหมว่าตนมีบุญมากบุญน้อยเพียงใดนี่ทุกคนย่อมจะอ่านตัวเองออกได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยอ่านตัวเองมีแต่เมากับเมาอ่ะนั่นแหละถราผู้ใดมีสติสมัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามา ทีนิดพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเสมอก็ย่อมรู้เมื่อเมื่อรู้ว่าตอนนั้นมีวาสนาบา ร, รมียังน้อยอยู่ ย, ยังอ่อนอยู่นี่ก็พยายามสิพยายามขมักเม้นทำความดีเข้าไปให้เข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆพาเพิ่มอเพิ่มเติมบา ร, รมี ให้แก่กล้าขึ้นไปถ้าตนผู้ใดามานึกคิดว่าไอ้ตอนนี้มีบุญน้อยวาสนาน้อยแล้วก็ยิ่งถอยหลังเข้าครองไปไม่พยายามทำความดีให้มากขึ้นอย่างนี้มันก็ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆนะบุญวาสนาบรารมีเมื่อบุญเก่าหมดลงไปแล้วไม่ได้ทำบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าใส่อย่างนี้ ท่านก็กล่าวว่าเป็นคนอนาถาเ น, นี่ยบ่เนี้หาที่พึ่งไม่ได้เลยจะไปพึ่งบาปกรรมนี่มันก็มีแต่ทุกข์อะเราเราผู้ต้องการความสุขล้วต้องพึ่งบุญนะต้องพึ่งบุญกุศลคุณงามความดีนั่นเนี่ยก็ถึงจะมีความสุขได้ ต้องพิจารณาให้รู้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งโดยตนเองเรื่องอย่างนี้นะดังนั้นคนผู้ที่มีความเห็นถูกแล้วพยายามสำรวมกายวาจาใจขึตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตามเพศตามภูมิของตอนเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้อง สำมรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อสิกขาบทพิในน้อยใหญ่ที่ตนสมทานมาแล้วไม่ล่วงเกินสำมรวมตนอยู่ในข้อวัดปฏิบัติให้สม่ำเสมอไปไม่ให้มันขาดตอนข้อวัดปฏิบัติ ของรพระภิกษุสามเณรมีอย่างไรเราก็ต้องพยายามศึกษาเข้าใจแล้วก็พยายามทำให้ติดติ ด, ดต่อต่ อ, ตอกันไปไม่ไม่ใช่ว่าอาศัยเมื่อคิดหมันขึ้นมาเวลาใดจึงขมักขม่นทำขอวัดปฏิบัติไปนั้นเมื่อคิดเกียดคลานขึ้นมาเวลาใดแล้วก็ถอยเสียไม่ทำ แช่นนี้นี่นว่าไม่ถูกต้องเลยนั่นแหละเป็นจุดแห่งความเตื่อมไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารืหัดก็เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันต้องฝึกจิตใจตัวเองให้มีฉันทะพอใจในข้อวัดปฏิบัตินี้ให้มากทีเรียวไม่ให้เบื่อนายต่อข้อวัดปฏิบัติ อุปมาเหมือนอย่างบุคคลเดินทางเมื่อได้รู้จักว่าทางนี้แหละเป็นทางถูกไม่มีผิดเลยอย่างนี้นะผู้นัน้นก็พอใจเดินตามทางนั้นไม่สงสัยลังเลเลย ต, ตั้งใจเดินทางนั้นไปไม่ท่อไม่ถอยมันก็เลยถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าหากว่า เกิดความสงสัยลังเลอยู่ในใจว่าเอ๊ะทางนี่มันถูกต้องหรือไม่นอถูกตามจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปจริงหรือหรือว่ายังเป็นทางผิดอยู่ถ้าไปลังเลอ ย, อยู่นั้นการเดินทางของผู้นั้นก็จะไม่เข้มแข็งเลยสักหน่อยก็เหนื่อยลงแล้วอ่อนเพลียลงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจนู้นนะมันสงสัย ใจมันทอ้อกลัวจะผิดทางนะื่กก็เลยจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆคนผู้เดินทางแบบนั้นนะอันนี้ก็ทันใดก็อย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดยังลังเลข้อวัดปฏิบัติอยู่ว่าเอ้ที่เราทำไปนี่มันถูกทางหรือไม่นอบางทีก็เห็นว่าถูกทาง บางทีเกิดสงสัยขึ้นมาอยู่อย่างนี้นี่การปฏิบัติมันก็ไม่ลาบรื่นนะคราวใดสงสัยก็ท้อใจทำก็ทำเพียงจะขอไปทีพอวันนั้นนะจะไม่เต็มใจทำเต็มที่กลัวว่ามันจะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าได้ศึกษาธรรมวินัยเข้าใจแนวทางที่ถูกต้อง ด้วยดีแล้ววะนี่ลงมือทามาแล้วค่อยเห็นผลมาโดยลาดับอย่างนี้ผู้นั้นมันก็ไม่เกียจค้านแลวไม่ท้อถอยละไม่สงสัยลังเลแล้วเพราะว่าข้อปฏิบัติที่ทำมานี่มันปรากฏผลนะ่ะมันได้รับความสงบใจความเย็นใจใจก็ผ่องใสไม่มัวหมองอย่างนี้นะแต่ถ้าว่ามันถักยังไม่ยิ่ง ผลแห่งการปฏิบัติอันนั้นน่ะมันยังน้อยโยเมื่อมันเห็นว่ามันได้ผลอย่างนี้แล้วมันก็ขยันหมั่นเพียรไปแหละการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่าหละไม่ว่าแต่การแสวงหาศีลธรรมบุญกุศลแม่บุคคลแสวงหาเงินทองภายนอกมันก็เหมือนกัน ทัานเมื่อทำการงานในลงไปแล้วมันเห็นผลขึ้นมาบ้างแล้วอย่างนี้มันก็ขยันหมั่นเพียรเข้าไปแหละไม่เกียจคร้านแล้วพะมันมองมันเห็นผลขึ้นมาบ้างแล้วนี่แต่ถ้าทำอะไรลงไปแล้วทำไม่ถูกต้องไม่ถูกทางที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองม า, างทำไปแล้วเช่นอย่างทำการค้ามันมีแต่ขาดทุนอย่างนี้ มันก็ท้อใจแหละไม่ค่อยขยันมั่นเพียรแล้วนี่ต้องคิดดูดังนั้นในการที่เรามาศึกษาเข้าใจต้นทางนี่นะให้ถูกต้องนี่นะว่าเป็นจุดอันสำคัญมากทีเดียวถ้าเราศึกษาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ลงมือทำไปทดลองไป ถ้าเมื่อมันเห็นว่ามันไม่ได้ผลนะก็รู้ว่ามันผิดทางเอาก็ศึกษาแนวทางต่อไปอีกเมื่อศึกษาก็ไปนิยนว่าแนวนี้แหละคงจะถูกทางอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเมื่อมันถูกทางมันก็ทําให้ใจสงบลงไปได้ถ้าไม่ได้รับความเย็นใจทําให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมา เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ขยันมั่นเพียรและผู้นั้นนะอ๋ะอนี่ถูกทางแล้วไม่ผิดแล้ว <c oughs> มันก็ตั้งอกตั้งใจดาเนินตามแนวทางนั้นไม่ไม่ออกนอกทางนั้นไปมันก็เจริญก้าวหน้าไปและศีลธรรมบุญกุศลนั่นได้มันก็เจริญงอกงามขึ้นในใจได้นี่มันมันต้อง มีอุบายแยบคายอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะไม่ใช่ว่าใครสอนอะไรให้แนะนําอะไรให้แล้วก็เชื่อมั่นลงไปหน้าเดียวเลยก้มหน้าทําไปไม่ได้ผลก็ก้มหน้าทําไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาแต่ถามท่านผู้รู้ต่อไปอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยการปฏิบัตินี้เช่นอย่างการภาวนาอย่างนี้เราก็ต้องมุง่งขั้นตอนเนี่ยก็ต้องมุ่งให้ใจสงบเป็นที่ตั้ง เ, เมื่อเราภาคเพียนพยายามเพ่งเจริญพระกรรมฐานไปอย่างนี้นี่มันก็หากว่า มันถูกทางแล้ะใจมันก็จะสงบมันจะรวมลงได้อย่างนี้แหละถ้ามันไม่ถูกทางใจก็สงบลงไม่ได้มันก็รู้ได้ทีนี้เมื่อใจสงบลงไปแล้วมาเจริญปัญญาพอเจริญปัญญามันเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงเนี่ย ได้อย่างนี้ไม่สงสัยลังเลอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าการเจริญปัญญานี่ยถูกทางไม่เป็นสัญญาวิปลาสไปเพราะมันเห็นแจ้งแล้วมันไม่สงสัยนี่นั่นแหละว่าสิ่งนี้ควรละมันก็ละได้มา น, นี้สิ่งนี้ควรทำมันก็ทำได้อย่างนี้แหละ อันนี้นบว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาไปดำเนินไปเพื่อค้นควาหาทางที่ถูกต้องเดี๋ยวเมื่อเราได้พบทางที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปตามทางนั้นไม่ท้อไม่ถอย ก็จ ะ, จะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษดังแสดงมา